มหาเถรประมาเดนะอย่างนี้ก็มาได้กัตุลไว้ส่งต่อพระสมายพพุทธเจ้าทั้งหลายพระบาเจกทั้งหลายพระทันตาชีนาศพทั้งหลายพระสกทาคาพระอนาคามีทั้งหลายพระสกทาคาเมทั้งหลายพระสวดาบทั้งหลายซึ่งเป็นโลกุตละมหาเถระเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทำผิดท่าน ด้วยกายกรรมสามวิญ ก, กรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมนาะแต่พวกกนก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีขให้พระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้เหล่านั้นเหล่าโน้นจึงทรงอดโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมือ่อผลทุด์ท่ายพวกเราทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญในมวรพรพุทธศาสนาของพระธมาักพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจน ถ, ถ, ถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยดว่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี่ก็ดีต่างฝ่ายต่างได้ทําผิดกันด้วยกายกรรมสามวิจีกรสี่ ม, มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พวกก่อนก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีพวกเราทุก ทั้งหลายทุกท่านหน้าทั่วทางไตรโรกาจงให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเพรชุดท้ายพวกเราทั้งหลายทุก Punk. ท่านหน้าทั้งที่มาในทีนี้ก็ดีที่มาในที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีจงประสบแต่ความสุขความเจริญในวาระพุทธศาสนาขอความกุศลพระพุทธเจ้าย <t> ิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยเบื่อโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทินอห่างตุ้งแห่งพีปีเมฆคำนิตวัง มัาจาปัปางกตังกัมังกุเยนะปัญยาติีสุขังรูกังปะภาิตีปัจโตจันติมาอภิวาธนาสีนิสานิจจังวุฒาไปชายานุจัตตารูธรรมาวัทจันติอายุวันูสุขังผภะลังวันนี้ก็เป็นเจตุรงค์ข้าสนิบาตเหมือนกันไม่ได้นัดหมายกัน มาเองวันนี้ก็มาเองสามสี่หมูถ้ารวมวันเข้าก็ขนาดนี้วนันแต่วันนี้ก็วันนี้คงวันนี้คงจะมากกว่าวันนี้สักหน่อยเพราะหลายพวกมาเป็นสามยุควันนี้มายุเดีย มาก็ดีไปก็ดีมาก็มากับพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ไปก็ไปกับพระพุทธรธรรมพระสงฆ์พูดถือพระพุทธศาสนามีอารมณ์ไปทางบุญเป็นส่วนมากเรียกว่ามัคคารมะนาธรรมมามัคคารลมไปไทางไันไปในทางบุญวุ่นอยู่ที่ไหนวุญอยู่ที่ใจเคยเป็นพูดธรรม จิตใจเป็นผู้ทําบุญให้เกิดขึ้นอารมณ์ของใจไปในทางบุญก็เรียกว่ามัคคารลมมัคคารมนาธรรมาถ้านึกถึงในเรื่องอดีตของอตีตารมที่เป็นบุญก็เรียกว่าตีตารมนาธรรมาอนาคตารมนาธรรม า, มาวัดยุบปณารธรรมนาธรรมาวัจจุบันก็เป็นบุญอดีตก็เป็นบุญอนาคตก็เป็นบุญเป็นส่วนมากถึงจะเป็นวาปก็เป็นส่วนน้อยเพราะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ถ้าไม่ถึงพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ใช่จิตเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาะจิตเบื้องต้นของพุทธศาสนาะให้ถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์พวกเราทราบกันดีแล้วจนจะหนวกหูก็ว่าได้แต่ค้นคืนมาเพื่อกันลืมเมื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพวกเราก็ทํามาหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสอนขั้นที่หนึ่งเป็นสอนให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าแต่ถึงสติตติ ถึงตราบเท่าเข้าสู่พระนธพานอ น, นันต์ว่าให้พอเหมาะกับเวลาเฉยดอกอ น, นันต์ทุติตติถึงสามครั้งก็ไม่ว่าแต่สามครั้งและลึกได้ ล, ลึกได้กรณีขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตราบเท่าเข้าสู่พระนธพานพ้นจากทุกนายวัตจัก ร, ตรสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี่เถิดถ้าผู้สร้างวาระมีแก่กล้ามาแล้ว มีน้ำซ้าปฏิบัตินาจีดปฏิวัติทำอะไรที่รวดธนัยกรบก อ, อกไม่เดียเศษข้าไเจ้าจงเลืดตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรวดธนตามเป็นจริงอยู่ทุกหน้าโดยไม่เหลือเทินอนี้เรียกว่าผู้บาลามีแก่ก้ามาแล้วแต่ว่าผู้คนแล้วก็ไม่ต้องมีการปรารถนาบางท่านบอกว่า ปาถนาพระนิพพานเนี่ยมันเป็นสิรเลตว่าอย่างนั้นอันนั้นหมายท่านผู้พน้นแล้วผู้ยังไม่พ้นก็ต้องมีคิวจะทําอะไรก็ต้องมีคิวถ้าอย่างนั้นพระพุทธศาสนา พ, พระสัมมาทัตพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมามีสามจริยาพุทธถจริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าญาตถจริยาทรงประพฤติเพื่อสงเคราะห์ญาติ โลตั ท, ะทะจริยาสงฆ์พืชเพื่อสงเคราะห์โลกต้องมีคิวจะทําอะไรอะไรต้องต้องมีชิวชิวก็ดีเกจตนาก็ดีความประสงค์ก็ดีความหมายก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันก็ไม่รู้ว่าจะปารบอะไรจรึงจะถูกกับท่านผู้คนส่วนมากแต่ก็ปารบแต่เรื่องต้นไปซะก่อนพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนา ที่สอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปเป็นลำลับไปในตัวด้วยมนุษย์สมบัติก็คือถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตามเท่าเข้าสูนิ์พานก็มีสวรรค์สมบัติมีพรหมสมบัติมีนิพพานสมบัติไปในตัวด้วยเรียวกับพัฒนาจิตใจ รัตนะอันใ ด, ดในโลกนี้จะเสมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยยังกินเกลรัตนังโลเกวิจติวิถีธรรมกุธุรัตนังพุทธสมังนัติตัดสมาสโสดที่เพริวนตุเตนะะรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมือนเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยนัตถิเมช น, นาังอันอย่างชนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นชนะของพวกเราทั้งหลายเรายืนยันแล้วเราอธิษฐานแล้วเรา ตั้งสัจจะไว้แล้วสัจจะปารมีซ้ำปัญโหนไว้แล้วอธิษฐานอปารมีซ้ำปัญโหนไว้แล้วนั่นยามพึงพายเลยทําไมจึงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธศาสนาจะมีจีร่าล้านพระองค์ก็มาทรงสั่งสอนอันเดียวกันมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติรรสมบัติเนปานสมบัติเต็มภูมิด้วยไม่มีรัตถิใดๆจะมาเสมอเหมือนกันเลย ใครตีตนเทียมถึงพระพุทธศาสนาเรียกว่าปราศะยกตนเทียมท่านอึ่งอ่างคองตัวขึ้นให้เท่าโคเดียวท่ตองแตกตายคาที่เราทรงสั่งเราทรงสนรเสริญในสิ่งที่ควรสนรเสริญเรียกว่าไม่ลเเาเอียงลาเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทาคติรักมันมันจะทำผิดสักเพียงไหน ก็ให้คะแนนมันนี้เรียกว่าลำเอียงเพราะฉันถากติเรื่องเกียจมันที่นี่มันจะทำดีสักเพียงไหนก็มาให้คะแนนมันเรียกโทษาคติกลัวอิทธิพลของมันมันทำผิดสักเพียงไหนก็เลี่ยงมันไว้เรียกว่าพยาคติครบอธิกรณ์ของมันไม่แตกครบเรื่องของมันไม่แตก แล้วให้คะแนนไปต่างๆหรือบุบไปต่างๆเรียกว่าโมหะคติอคติสีประการนี้ไม่มีในทางพระพุทธศาสนาเลยมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระพุทธศาสนาเป็นโลกาธิปไตยหรือเป็นธรรมาธิปไตยหรือเป็นอัตตาธิปไตยอธติปไตยสามในทางพระพุทธศาสนาอัตาตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ โลกาที่ปไตยความเห็นโลกปัญญายสองข้อเข้ากับประชาธิปไตยได้อันนี้ธรรมาทีปไตยความเห็นธรรมป็นใหญ่เพระพุทธศาสนาเป็นธรรมาธิ่ปไตยไม่ได้เข้าข้างตัวไม่ได้เข้าข้างพักของตัวด้วยทั้งเป็นผู้บัญญัติบาบวนคุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยเป็นประโยชน์ เ, นชนเต็มภูมิแล้ว ตามเป็นจริงเนี่เพราะท่านไม่ <sorta> มีกิเลสแต่พวกเราหมูมากลากไปเป็นส่วนมากขาวโลกถ้ากิเลสมากลากไปมันก็ไปตกเหวหมดใช่ไหมถ้าบัญญัติไม่ถูกมันก <voting> ็บัญญัติไปตกเหวหมดเหตุน um ั้นเราจริงเคารพคำสอนพระพุทธศาสนาถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันใครจะโกหกพโกลมไปสักเพียงไหนก็ตาม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 พระพุทธศาสานาไม่ได้เข้าข้างตัวไม่ได้เข้าข้างพักของตัวพระพุทธเจ้าจะมีเจริญ้านมาเป็นยนนุกยุกยุกยุกยยุกยุกยุกอเนกส ะ, ะโกตโย ม, มากกว่าร้อยโกดก็เหมือนกันก็เป็นพรบอันเดียวกันพระราชาบัญญตัตอันเดียวกันไม่ได้เข้าข้างตัวไม่ได้เข้าข้างพักของตัวและมาสอนโลกโดยตรงตร ง, ตรงสัจสาเทวมนุษย์สานางังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยยืนยันอย่างนี้เด็ดขาดแล้ว สร้างวัดมีมาก็เพื่อจะมาสอนโรคทั้งหลายบางแห่งบอกว่าพระพริชุสูสา ม, มเอสน์ไม่ควรไปเอาโลกมามวิจัยว่าอย่างนั้นถ้า พ, พิชชูสา ม, มเอสน์ไม่รู้จักโลคจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้อนทุกอย่างไรได้ถ้า พ, พิชชูสา ม, มเอส์ไม่สอนโลค ก, ก็ให้ไปสอนผีตัวไหนตั้งกฎได้ไม่ถูกเอา้อาอาไยมุกทุกประเภทเป็นมนุษย์ปิบัติ เป็นสวรรค์วิบัติเป็นพรหมวิบัติเป็นนิพพานวิบัติไปในตัวด้วยใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาใครจะเคารพหรือไม่เคารพก็ไม่เป็นปัญหาอริยสัจจริงอยู่อย่างนั่นไม่รับยังเ ข, าข้ากับใครเลยนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจผู้พูดและผู้ฟังไม่ได้ดูที่ดินฟ้าอากาศคําสอนใด ปีนคาสอนพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดชาวโลกสร้างกฎหมายกดหมูกดทักกดพวกปีนเกลียวพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดนายช่างไม้ช่างก่อสร้างก็เหมือนกันจะทำอะไรทิ้งด่งไม่ได้และดับน้ำก็ทิ้งไม่ได้ เครื่องวัดเครื่องตวงก็เทีงมาได้ฉันในก็ดีตั้งอะไรขึ้นในพักในพวกก็ดีถ้าทิ้งคําสอนในพุทธศาสนาะไปไม่รอดเหมือนกันเอา้าทำที่พกครองโลกพุทธศาสนายืนยันอะไรบ้างทำเป็นโกกรคกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายตบามความกลัวตบามเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ ถ้าไม่ะอายต่อบาปไม่มีความกลัวไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกฎหมู่ของชาวโลกกฎพักกฎพวกของชาวโลกก็ตั้งมาอยู่อู๋ของทําไม่นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับแต่ทุกวันนี้มันทําในที่แก้เอีกเสียด้วยนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่โลกเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเหมือนกันสังขารโลกกายสังขารวีชีสังขารจิจตะสังขาร สมมติโรคเหมนกันสิงเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะควรคิดทั้งนั้นเอา้าถ้าไม่ละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วมันก็ไปล่วงแล้วเมื่อถี่ห้าใช่ไหมเอา้านับแต่รู้ดย anship ามาถ้าชาวโลกมีสิ้นห้าบริบูรณ์หมดแล้วกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากใช่ไหมอมืกฎหมูก็ไม่ต้องตั้งมากใช่หรือไม่ ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีเสื้อตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีคดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมีใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นขายของก็ไม่ต้องเข้าโรคเอดก็ไม่ต้องมีใช่ไหมเพราะมันมีขอบเขตนั่นถ้าชิ้นห้าไม่มีแล้วจะตั้งขึ้นสักเพียงไหนมันก็ไม่อยู่อีพ่ออีแม่เออถูกไหมนั่น เหตุนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงมายืนยันศีลห้าหรือละอายต่อบาปกลัวต่อบาปเป็นเครื่องพัวครองโลกใครเป็นผู้บัญญัติบาบุญคุณโทษถูกก็พระสมานพระพุทธเจ้าจําพวกเดียวเท่านั้นบัญญัติถูกลัที่อื่นๆสิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาปก็มีชาวโลกทุกวันนี้ไม่เอาคําสอนพระพุทธศาสานามาเป็นแว่นดวงใจดวงธรรม ไม่เอาดิ่งนี่ดิ่งก็คือคาสอนพระพุทธมาพระพุทธเจ้าสอนโลกโล ก, กวิทยาูเป็นผู้รู้แจ้งโลกปุริษาธรรมสาสตรา์สัตถาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดานามมนุษย์ทั้งหลายนั่นนั่นเอ้าพระพุทธเจ้าสอนชาวโลกสอนยังไงสอนประพฤติกระพะกําเนิดสิ่งนี้พุทธบริษัทควรรู้จักด้วยกายกรรมคือทําอะไรใดประกอบด้วยเมตตา สองด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสาีด้วยความเป็นผู้ไม่เปิดประตูคือห้าเมตตาเข้าบา้านเรื อ, อน5ด้วยให้อเมทสถานนั้นนพระบรมสารสดาผูกมัดไว้แล้วนะสามัญภาพนี่คือสมัเอ็นไดรับดำรงชนี่แล้วย่อมนุเคราะห์อวาศกอุวาเสก า, สกาด้วยสถา น, นห้านิ่งห้าเมตตาทำความชั่วสองให้ตั้งในความดีสม อนุเคราะห์ด้วยน้ําใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่มฮกบอกทางสวรรค์ให้นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นเพราะว่ารลมาศาสตรานั่นนั่นจะมาให้พระเป็นการว่านการเมืองอยังไงได้อบายามุขทุกประเภทเป็นหน้าที่ของข้าจะสั่งสอนมาให้ส่งเสริมแต่พวกชาวโลกของเราส่งเสริมกันแล้วจะไปหาความสุขมาจากประตูได้ละ่ะ นั่นนั่นนั่นอาบายามุขมันมุขะมุขะมันก็ชีพหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากเป็นปากเป็นทางแห่งความชีพหายก็ว่าแล้วไม่รับเอียงเขา ก, กชันวันละเลยเช่นไฟเหมือนกันใครไปจับไปลงลุยหลุมฉานเพลงิงก็ไม่ลำเอียงมันสังขารนายให้เองมันมีสารไตสวนในสารตัดสินอยู่ที่นั่นเองใช่ไหมนั่น กำไดใครก่อก็คิดใจของแต่ละท่านละคนก่อขึ้นใช่หรือไม่เราเป็นผู้บอกพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายก็หายน้าก็ดื่มเองหิวนอนก็นอนเองง่วงนอนหิวอาหารก็ทานเองเราตถาคตเป็นเพียงทชี่บอกเท่านั้นจะทำแทนไม่ได้อิสระอยู่กับพวกท่านทั้งหลายเหตุนั้นเราจรึงเคารพรม ไม่สำคัญตัวเป็นอยู่เนื้อธรรมเลยพระบรมศาสตราสอนวิธีระงรับอัจิกรพระพุทธศาสนาก็สอนไว้แล้วคดีดำคดีแดงในลวงในศาลก็ออกไปจากพระวินัยของพระอัจิกรนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสงไม่เรียบร่งรังสีจะทำให้เกิดนานาสังวนาสนานานิกายพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้น ว, วิธีนะรับอัิกรก็มีอยู่ ที่นี่พูดลักๆักก่นลั่นจับนั่นจับนี่มาใส่ก๋วยกวังแกงใช่ไหมจับผักบ้างจับอะไรบ้างพูดน้อยก็น้อยออกมาจากใจพูดมากเขามากออกไปจากใจวิธีระงับอธิกรณ์ในทางพุทธศาสนามีเจ็ดอย่ า, ง ใ, างในที่พ่อแมาสงฆ์ในที่พ่อแมาบุคคลในที่พ่อแมาวัตถุในที่พ่อมหนแม่ทำเรียกสัมุคาวีไนนี่อธิกรณ์แบบหนึ่งวิธีระงับอธิกรณ์ สองความที่ยสองสัพปะการให้สมมติแก่พระทหารว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ใครโจทย์ท่านโดยอาบัตเรียกสติวินยัยจำเลยเป็นพระทหารเป็นผู้มีสติพัยพู์ไม่เป็นหน้าที่ของจำเลยจะทำละเมิดดังที่โจทกล่าวหาสวดกรรมาวาจากจาร์ไว้ให้สติวินยัยแล้วยกฟ้องของโจทเสียวิธีงับอจิกรของพระพุทธศาสนาอยู่แต่เดี๋ยวนี้คงไม่ได้ใช่กันเสียแล้วเพราะไม่มีใครยืนยันวนะ่าคนนั้นเป็นคนนี้เป็นพระทหาร สามความที่สองชะพากาดให้สมมติแก่พิกษุผู้หายเป็นว่าแล้วเพระเจ้าไม่ให้ใครโจด ท, ท่านว่าอาบัตที่เธอทําในเวลาเป็นว่าเรียกอมูลรหาวินัยพิกสุเป็นว่าเสียสติจริงๆห้ามให้โจดเธอในเวลาเธอเป็นว่าถ้าเธอหายเป็นว่าแล้วจึงให้โจดเรียกว่าอมูลรหาวิไลความปรับอาบัติตามปฏิญญาของจําเลยเพื่อรับเป็นสัตว์เรียกปฏิญญาตะการณ์นี่ระงับวิธีหนึ่ง ความตัดสินเอาตามคำของคนว่าเป็นประมาณเรียกเกยพฤยาสเการนี่ระ ง, งับแบบหนึ่งเยพฤยาสเกาข้างพุทธการมีขอบเขตเธอจะเรียนจบพระไตรปิฎกสักเพียงไหนก็ตามเธอประพฤติไม่ดีมาให้มาออกเสียงแต่ทุกวันนี้ชาวโลกมึงไม่ออกให้กูกูออาตังค์ให้มึงใช่ไหมนั่นทีนี้มันจะเอาความสุขมาจากประตไหนถ้าทิ้งคําสอนในพุทธศาสนาถ้าไม่มีอย่างอายแล้วนั่นนั่นนั่น ตาตามตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณเรียกเกย์พยัสเกาคนมากเป็นประมาณสักเพียงไหนกว่าตามถ้าความประพฤติของเธอไม่ดีมาให้มาออกเสียงข้าพระพาพิการณาวิชัยงับอาเซกรก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าพระไตรปิฎกไม่ถูกเอาไปเผาไฟทิ้งซะเอาไว้ทําไมอยู่ในกรุงเทพยิ่งมากงั น, นพูดแล้วกว็เกิดโมโห มโมโหให้จีเ ด, ด็ไม่ได้โมโหให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อกแต่ทุกวันนี้คนมากเป็นประมาณชาวโลกเธอไม่ออกเสียงให้ค่าค่าเอาตังให้นันมันก็ถูกแต่ขอต้มกันอยู่ไม่ไเล้อวไม่รอดนั่นนั่นนั่นนั่นชาวโลก วัตดีแต่ว่าพุทธศาสนาน่ยรุ่งเยิงกันอยู่รบลาฆ่าฟันกันอยู่อีพ่อยี่แม่เอ๋ยข้างพุทธการก็มีอยู่ก็จริงแต่ทั้งนี้ก็จะให้มีมากกว่าข้างพุทธการดอกหรือนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ควรเทียทางนั้นความให้ไปนี้ความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกตัทปาปิยชิกากรรมนี่ระงับอธิกรณ์อันนี้ตัทปาปิยชิกากรรมถ้าไม่พูดอย่างนี้พูดแทนฟังไม่ออก อยากให้ผู้แท น, นเข้าใจเดียวเนี่ยคนอยู่ในรดนี่อยากให้ผู้แทนเข้าใจมากกว่าเพื่อนพราะผู้แทนผู้ปกครองประเทศเพราะเรื่องบาปเรื่องวุ่นก็คงจะร่วมกันล่ามเล็กน้อยอันนี้ก็เรื่องบาปเรื่องวุ่นเหมือนกันทีนี้รัสปาลพิจารณากรรมกําเพิ่มโทษแก่พิษสูบผู้ประพฤติกลามกให้การกลับไปกลับมาพูดทลาบทลายข้อก็เกินที่ถูกซักถามพูดมุษาซึ่งหน้า ปฏิญาเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธเนี่ยปฏิญญาก ล, ลญญาับไปกลับมาท้าโทษเพียงข้อเดียวก็ให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเป็นสามตัชสภาพิจารณากรรมกำเพิ่มโทษแก่พิจุผู้ประพฤติรามกุกให้การกลับไปกลับมาพูดถลาถลายข้อกบเกินที่ถูกทักสามพูดมุสาซึ่งหน้าเพิ่มโทษขึ้นอีกอันนี้เรียวกว่าตัชสภาพิจารณกรรมความให้ปรนีประนอมมันตั้งสองฝ่าย ไม่ต้องชำระความเดิมเรียกตินณวั า, ารกรรมในอันนี้หมายความว่าจำเลยก็เท่ากันโจดก็เท่ากันถ้าตัดสินในทางใดทางหนึ่งชนะอธิกรณจัทเวขึ้นเหตุนั้นจึงให้ปณีปนอมกันซะแต่เป็นอาบัตเล็กน้อยไม่ใช่อาบัตสังฆาทิเศษหรือปาราชิกถ้าอาสังฆาทิเศษหรือปาราชิกหรือปายตี ก็ต้องตัดสินตามส่วนควรค่าของเหตุจะไปไกเกี่ยไม่ได้ที่ให้ปฏิญญาณมาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชําระความเดิมเรียกตินนวัตธารกาวินยัยแต่อธิกรชนิดไหนควรระงับสมถะอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับผู้แตกฉานเช่นอธิกรควรระงับสมุควินยัยก็ไประงับอันอื่นมันก็ไม่ถูกมันก็ขึ้นอยู่กับผู้แตกฉานรู้จักวิธีเกิดอธิกร รูจักอาบัตหนักอาบัตเบารูวัตถุรูนิทานรูภาพบัญญัติรูบทที่ตกหล่นในภายหลังรูครองอนเข้าอนุสนธิกันได้รูทำรูวิในทั้งเบื้องต้นเรื้องกลางเรื่องท้ายนักผู้ระงับอธิกรผู้ระงับอธิกรจงเป็นผู้เห็นแก่ทำแก่วิในอย่าเป็นผู้เห็นแก่อามิตนษษษตักพระพุทธศาสนามีไว้วัดแล้วเนี่ยด้วยรักแห่งมูลที่ฟ้องกันมีอยู่สามหลัก ด้วยได้เห็นเองด้วยได้ยินเองด้วยมีผู้บอกได้เชื่อว่าตามเป็นจริงด้วยสงสัยรางเกียจข้อประพฤติไม่ดีเรียกว่าโจดมีมูลหรือนอกนั้นโจดไม่มีมูลนั่นก็ในสังฆาทิเศษก็บอกแล้วโจดอาบัตไม่มีมูลเ ป, ป็นอาบัตสังฆาทิเศษตัวอาบัตไม่มีมูลปกปิดอาบัตชั่วยาวก็เป็นอาบัตอีกเหมือนกันนั่น พระพุทธศสาสนาสอ้อย่างไรซึ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่มีเลยทูงของพระสวดาวันมีอะไรบ้างไม่เสื่อใจอยากกระถือรัทติอื่นศาสดาอื่นไม่เสียดใจอยากร่วงละเมิดศีลห้าไม่เชื่อใจอยากร่วงเอาบายอมุกไม่เสียดใจอยากจะถืออยู่ยงคงกพันไม่เสียดใจอยากกระถือเลิกดียามดี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 กูไม่ได้มึงเดี่ยมนี้กูจะเอามึงเดี่ยมนี้กูจะทำให้มึงเสียชื่อเสียงอิสรภาพกูจะทำให้กดมึงให้เป็นคนชั่วลงลบล้างมึงวิธีใดวิธีหนึ่งไม่มีในพระสุาบรณไม่ครบมิตรชั่วอีกเช่ด้วยเอา้าชี้หิปฏิบัติทั้งเล่มที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้านัจนามาไว้ออกมาจากพระไตรปิฎกนะั่น นับแต่จตุกะกรมชิเลสคือการเครื่องเศ้ามองเสียหายภาณที่บดททาชีวิตฐานทีน่ตกล่วงอาทินนาทานถือเอาสิ่งของที่จะของไม่ได้ให้หร อ, อาการเนี่ยขโมยการมีชีวิตใชา้จานุศผิดในกรมสีมสาวาตโพเทศนี่เบื้องต้นเบื้องทใายเจียรตอาบายนะุนนคือเหตุเครื่องเสียพ่ายหกเดือมหน้าเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนานครบคนช่วเป็นมิเจียดข้ามทําทงานมวยทอดหก ม, มือหน้าเมา มีโทษหกหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการสร้อยวาดสาวเกิดโรคสีต้องติดเตียนห้าไม่รู้จักตายหกถอนกาลังปัญญาเชื่อกันคืนมีโทษหกชื่อว่ารักษาตัวชื่อว่ารักษาลูกเมียชื่อว่ามักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใส่ความได้ความลำบากมากเชื่อดูการเล่นมีโทษตามวัตถุที่ได้ไปที่หกล้ำที่ไหนก็ไปที่นั่นดีสีที่เป่าที่ไหนก็ไปที่นั่นเพลงที่ไหนก็ไปที่นั่นตะเพาที่ไหนก็ไปที่นั่นเกิดเทิงที่ไหนก็ไปที่นั่นครบคนเชื่อมี โทษตามบุคลคลจะครบหกนำให้เป็นนักเรียนหญิงนัให้เป็นนักเรียนตน้ําให้เป็นนักเรียนเล่นการพา น, นันนําให้เป็นคนรวงเขาเด้อยของปลอมนําให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้านําให้เป็นหัวไม้เกียดข้าศทํางานไม่ทษหกมักให้อ้างว่าหนาวนักได้มาทํางานร้อนนักได้มาทํางานเย็นแล้วไม่ไม่ทํางานยังเช่าอยู่ไม่ทําการงานหิวนักได้มาทํางานระหายนักได้มาทํางานผู้หวังเจริญพวกกระซับจงเว้นเหตุเครื่องคิบหายเหล่านี้ซัก ว่าเรามาศาสนาม่สอนอย่างนี้นี่คือสอนคารวาโตรงแจ้งส่วนฟิกษุสัมรมันผ่านมาแล้วนะภูมิเขาที่ใหปฏิบัติทั้งเริ่มเน่ยเป็นภูมิของพระสวัดวิบัทงนั้นะหลอเอา้าคนในไต้ลอกธาตุเนี่ยมีกี่กีรนประมาณ หหรือหกพันล้านท่านเหล่านี้มีเส้นห้าบริบูรณ์พอล้านคนไหมถ้าไมมีเส้นห้าบริบูรณ์พอล้านคนแล้วจะเอาความสุขมาจากประตัวไหนล่ะนั่นนั่นนั่นนั่นทำอะไรมันก็เข้าข้างตัวหมดนั่นไม่เข้าข้างตัวก็ข้าความพักของกลัวเพราะมันมีจิเลตบัณฑิตัวฆมาวาสังบัณฑิตเป็นผู้คลองเรือนพระบรมศาสน์ นักธิภาราปัินายากาคนทานไม่ใช่คนคนหัวหน้าเนื้อพราะว่าลงมาศาสตาร า, า, าบันไดตาปัญญายกาบัณฑิตจึงเป็นคนหัวหน้านั่นนันนนนน่นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจโลกทาตุเรานี่เองนั่นทำอะไรไม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเอา้าผู้ที่ใด้นํามาในทางที่ไม่ชอบไปรอดไหมมันก็ไปไม่รอดใช่ไหม พูดที่ถือไม่มมีบาปไม่เวีนไปรอดไหมก็ไปไม่รอดผลของกรรมอยู่ข้างหลังอีพ่ออีแม่เ อ, อ๋ยอีพ่ออีแม่เป็นคาเป็นคําภากีสารใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาความจริงมีอยู่ก็เป็นจริงตามความจริงเลยเรียกว่าอาริยสัจจัง อาวเชื้อทิศจะมีกี่ล้านล้านก็เชื่อไปในทางที่เหนือนโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดในใจโลกธาตก็เป็นเืองขึ้นคําสอนพุทธศาสตร์นะโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้เราไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไปเชื่อเป็นจริงอยู่ไว้มีกลางวันกลางคืนเชื้อทิศก็มาได้พูดว่าเราเป็นขี้ข่าทิศเหนือจ็ขี้ไปในทางทิศเหนือทิศเหนือก็ไม่ตรีตารานว่าเชื้อทิศเป็นเวงขึ้นของเราแต่ความจริงในชั้นนี้มันก็ไม่หนีจากความจริงงงใในนนนชัน้้ีีมเททยาสู เชื่อมในทางลึกซึ่งเพื่อให้คำหนึ่งหลายทางนั่ให้หน้คอคลองบางต่ตางๆ ไหลลงสู่มหาสมุทรเลโยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุนั้นพระบรมศาสตราจรงเขารับธรรมไม่สําคัญตัวอยู่ในเหนือธรรมถ้าทําไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสตราก็ไม่รู้ทําได้ทํามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจริงเขารับธรรมแบบแก่จม ไม่กระด้ากระเดืองเลยนัดนนั่นัดนั่นนันนผู้เลี้ยงสายพุทธศาสนาเป็นผู้ที่สร้างบา ร, รมีแก่จ้ามาแล้วของดีเราว่าไม่ดีเราก็ลำเอียงพูด พ, พูดทําทำดีไม่ส่งเสริมคนดีก็สืบโรกก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นเ้าไม่มีพัก เราได้คนไม่ถึงเสีย ถ, ถ, ถึงทำมาเป็นหนูเป็นเพื่อนเต็มแผ่นท่าแผ่ น, ผนดินก็ไม่เท่าได้นักปราชญ์มาในสังคมหนึ่งๆใช่ไหมนั่นพระพุทธเจ้าก็มาแต่และองค์ละองค์เท่านั้นมาก็ได้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนขนโคก็มอบไหว้ให้พระพุทธเจ้าองค์หลังอยู่ในตัวนั่นดอกวัวสีเรามีขั้งพุทธการหรือไม่ขั้งนี้มีไหมขั้งพุทธการเทียบใส่ดอกวัวสีเรา ดอกบานก็บานเต็มภูมดอกตูมก็ตูมเต็มภูมดอกเสมอน้ําก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มพูมหมายท่านผู้หวังพ่นทุกนายวัตตาสงสารโดยด่วนดอกพ้นขนาดนี้พ่นน้ําขนาดเซนหนึ่งหรือสองเซนก็หมายถึงพระชวดาบันพ่นกว่านั้นก็หมายสักคาคาเมียพ่นกว่านั้นอีกหมาย อนาคามี่ท้นกว่านั้นบานหมายถึงพระาราหันต่ํากว่านั้นลงมาก็คือผู้ปฏิเสธแล้วไม่มีบาปไม่มีบุญเสียงปฏิเสธแล้วไม่มีบาปไม่มีบุญคือเสียงอะไรก็คือเสียงจอบเสียมขุดฝังตนเองนั่นเองใช่ไหมเราจะเป็นดอกบัวชั้นไหนช่างหัวมันเถอะตายไปแล้วนกหรูปูปีกมันก็มีคู่เหมือนกันถ้าเรายอมตัวลงอย่างนั้นมันก็เป็นเป็นเครื่องอกอุ่นใจ ทำไ้เราจึงไม่ยอมตัวอย่างนัะนพระเราละสร้างบา ร, รมีแก่ก้ามาแล้วพูดถึงพระสวัดาบันบานหน้าสุปฏิปันโนบานหน้าไ ป, ไปสู่ความเจริญบุญบุญของพระสวัดาบันเป็นบุญบานหน้าไปเต็มอยู่ที่อรหัตตมรรคพอถึงอรหัตตผลก็เหนือบาปได้วนไปแล้วบาปของพระสวัดาบานันบานหน้าไปทางจะชิบหายหมดมบาป บาปจะชิบหายหมดบาปจะร่อหลอไปหมดบานหน้าไปทาจะร้อยหลอหมดส่วนบาปบุญของพวกโลกีวนเวียนอยู่นี่ต่ากว่าพระสดาบันลงมาออถ้าหากว่าชาวพุทธไม่เข้าถึงสุปฏิปันโนจะให้ผีตัวไหนมาเข้าอุชุยยะสามีกิก็เหมือนกันนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจพูดมากก็มากออกมาจากไกล จะเดินยำกลมภาวานาตลอดวันตลอดรุ่งตลอดค่ำก็ตามจะยืนขาเดียวอ้าปากกินลมก็ตามจะอดอาหารจนขุ้มผมขุ้มขนหล่นก็ตามจะปารบจนน้ำไหลไฟดับก็ตามถ้าเสียดายเราละเมิดศีลห้าถ้าเสียดายอยากจะถือศาสตาอื่นถ้าเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกะพันถ้าเสียดายอยากจะถือเลิกดีงามดี ถ้าเสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดอยู่ถ้าเสียดายอยากจะฆ่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายจัตเป็นในเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารฆ่าขายนำา้ำมันฆ่าขายยาพิษดังที่กล่าวมาแล้วนั้นมันก็ไม่ใช่สุปฏิปันโนมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันมันเป็นพระโสดันโสดเดาโสดคาดคะเนใช่หรือไม่ดันทุรังเอาแต่คําสอนของตนคาดคะเนเ อ, เอา นั่นนั่นนั่นคำสอนพระพุทธาศาสนาสอนวัดครบไตลกอกธาตุโลกตัฏฐะจริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเหตุฉะนั้นเวลาเข้าสู่พระ涅์ท่านจะบอกว่าสิ่งไหนที่เราจะรีรับต่อโลกไม่มีเลยเราไม่เพ่งโทษเราเองอันไหนเราก็สอนโลกหมดแล้วเราจะลาท่านทั้งหลายไปละพระบรมาศาสีา แล้วไม่ปิดบางเลยพระธรรมคาสั่งสอนของเราถ้าพูดทํำบาปไม่เป็นบาปคําสั่งสอนของเราก็ไม่บริบูรณ์ว่าอย่างนั้นผู้ทําบุญไม่ไริบุญณ์คนทำสังส่งสอนของเรามันก็ไม่บริบูรณ์พู้ลงนรกทั้งเป็นก็มีผู้ถึงสวสดาบันสักกทาคามาาียนาคามเา our, คามียนาอหันก็บริบูรณ์แล้วเหตุนั้นเราจึงจะลาไปเป็นพรักๆคาสอนของเรานี่เองจะเป็นศาธาดาแทนโลกทั้งหลาย โรคทั้งหลายอย่าประมาทนะพระบรมศาสดาทุกๆพระองค์ก็มาสอนอย่างนั้นเออไอพ่อไอแม่เอ อ, อ, อ, อ, อ, อเฮ้ยพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาพิรุณลงชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนวัดม้อยสุดที่สกุลพุทธใครรานใครรู้กล้าวชาวพุทธผลของกรรมจะตามถึงที่สุดอยู่ชั่วการนานพระพุทธศ า, าสนาไม่มีอยู่แล้วใช่ กฎหมายใดๆของชาวโลกก็ตั้งมาอยู่อู๋ของธรรมไม่นาคำหนึ่งก็หมดที่เพิ่งพิงอิงอาศัยชาวตรโรกายาประมาทพระพุทธศาสนาเธินนั่นนั่นยืนยันเลยยืนยันในสิ่งที่ควรยืนยันไม่เป็นอุปาทานการอุปาทานถือมันในตามทิฏฐุปาทานถือมันในทิฐิที่เห็นผิด ศีลพระตัวปาทานถือมั่นในศีลพระที่เห็นผิดอัตตาทุ ป, ปาทานถือมั่นว่าทะวาตนว่าตัวไม่เข้าข้างธรรมยืนยันให้ตนอันเดียวทีนี้ยังมีอยู่อีกอักโขคำสอนพระพุทธศาสนาผู้มีใจสูงชั้นสูงก็สอนสูงทําแต่ละวัตรวาดส่งต่อพระนิพพานหมดนะน้โมพระสราบันน้โมแปลว่านอบน้อม แปลว่าเคารพนอบน้อมนโมพระสดาบันเป็นนโมที่ไม่หลงทางที่พูดมาเรียเมื่อกี้นี่แหละนโมพระสกทาคามีนอบน้อมละเอียดไปกว่านั้นเคารพละเอียดไปกว่านั้นนโมพระอนาคามีนอบน้อมจนไม่มีราคะโทสะนโมพระอรหันต์นอบน้อมจนไม่มีราคะโทสะโมหะนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายนอบน้อมจนไม่มีกิเลสเลยเรียกว่าพระอรหันต์เรียนนโมจบอันอื่นก็เหมือนกันคําสอนแต่ละวรรบาตส่งต่อพระน涅槃พานหมด มันขึ้นอยู่กับผู้บาลเรมีแก่ก้ามาแล้วหรือไม่ก็มามาแล้วเท่านั้นพุทโธแม่พามาเกิดแม่แก่มาเก็บมาตายเดี๋ยวพุทโทเลขพุทโธผาพุทโธรบัตพุทโธเบอร์โตเันตนเป็นผีบ้าไปเอาพุทโธรมาเป็นผีบ้าด้วยนั่นพุทโธโรกีพุทธโธลงนรกแต่พุทโธรมาในลงนรกผู้บริกรรมใะลงนรกถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ขมเห็งเอาให้มีสิทธิ์ให้มีสิทธิ์ให้เห็นเอง เขาพุทธศาสนาสอนให้เห็นเองไม่เอาเสียงข้างมากน้าดีอ่ะถ้าเอาเสียงข้างมากคนมีกิเลสเต็มโลกอยู่มันก็ไปตกเหวหมดใช่ไหมต้องเอาพระธรรมเพระพุทธเจ้านั่นเขาสอนโลกได้แล้วสอนแต่ต่ําไปหาสูงถ้าเราให้พวกเธอมาบวชหมดเราจะไปเป็นสะบาดตับไคร่พวกเธออยู่ฆราวาสก็สามารถถึงโสดาบานันสกทาคามีนาคามีอรหันได้เหมือนกัน ถ้าพวกเธอมาบวชหมดเราจะไปเป็นธบัติตะไคร้เขาบอกรมาศาสตราไม่ได้หมายว่าให้พวกเธอมาบวชหมดนะให้บวชจิตบวชใจพวกที่บวชมาก็ต้องมีอุปชาอาจารย์ถ้ามาอย่างนั้นมันจะรักไปบวชกันพวกนั้นสิ่งไหนเอา้าพระพุทธศาสนาไม่สอนสิ่งไหนแสงมาดูดูเอา้าด้านนั้นด้านนี้ยังไม่สอนแซงมาดูดูอ๋อการครบมิตรก็สอน ผัวก็มเมยยก็สอนเ้ยยืยย่อกย่างน้ำเสือเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสมด้วยไม่ประพฤติร่วงใจสีด้วยมาความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวนั่นภรรยาได้รับบำลงชนิดแล้วย่ออนุเคราะห์สามีด้วยสถานะ ห, หนึ่งจัดการงานดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามไม่ประพฤติร่วงใจผัวสี่นักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ข้อห้าขยันไม่เกียจข่าในกิจการทั้งกล่มถวยกับว่าร่างภาเขากับว่เที่ไม่จะพิสจันทร์ตัว ถัวก็ไปกินเหลาเมียกับต้มใกล้ขายิดกันที่แม่นบอกนั่นถ้ามีคนห้าข้อแล้วการทะละบาวยงจะมีมาจากประตูดใดล่ะเรื่องเจ้านายพระพุทธเจ้าก็สอนหนึ่งด้วยจัดการให้ทำพอสมควรแก่กำลังสองด้วยให้อาหารในรางวันสามด้วยพยาบาลในเวลาเจ็บไข้สีด้วยแจกของเมล็แปกปลาให้กินห้าด้วยปล่อยในสมัยวันทิศวันเสาร์วันศาต์นั่น นายจ้างนายจ้างจ้างเป็นเดือนก็ดีรับเหมาก็าดีหรืออะไรก็ดีทีนี้คนคนงานที่นี่หนึ่งลุกขึ้นทําการงานก่อนนายสองเลิกการงานที่หลังนายสามถือเอาแต่ของที่นายให้ที่ทําการงานให้ดีขึ้นไม่เห็นแก่มากง่ายห้านำคุณของนายไปเสีเสิร์นในที่นั้นนั่นถือเอาแต่ของที่นายให้ดายักรักจอบรักเสียมไปเป็นต้นนั่น ทำการงานให้ดีขึ้นแต่อย่าเห็นว่าง่ายนั่นสิ่งไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเลยการคาะมิตรพระพุทธศาสนาก็าสอนมิตรแค่สี่จำพวกหนึ่งมิตรมีอุปการะสองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์สามิตรแนีประโยชน์สี่มิตรมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควครคบรหนึ่งมิตรมีอุปการะมีลักษณะสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้หมาดแล้ว สองปองการทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาแล้วสามเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งนชาวรัฐทำนักได้สีเมื่อมีสุระช่วยออกทรัพให้เกินกว่าที่ออกปากเราจะช่วยเพื่อนร้อยบาทไปช่วยสักพันบาทเนี่ยออกปากสองไม่ร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะ4ี่หนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่อนสองปิดความรับของเพื่อนไปแพียงพายสาไม่ละทิ้งในยาอมิบัตสี่ไม่้ชีวิตกว่ า, าจาะแกนได้นั่ น, น, นพระพุทธศาสนาสอน สามเม็ดได้ประโยชน์มีลักษณะสี่หนึ่งห้าเมฆทำความชื่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุพราะนะนําใจอันงามสบอกทางสอนให้มิตรแท้สี่จําพวกทุกกระทุกด้วยสุ ก, ก็สุกด้วยโตเถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสนับสริญเพื่อนมิตรสีจําพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรคบเนอนี่พระบระมาศาสตร์นักมิรตรปฏิรูปคือคนเถียง ม, มิตรสี่จําพวกไม่ควรคบหนึ่งคนปอกรอก สองคนดีสองคนดีแต่พูดสามคนหัวไปจบสี่คนชักชวนในทางเสีหายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่คนคบหนึ่งคนปอกลอกมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยเพราคิดเอาของเพื่อนมากสามคนหัวไปจบมีนักสระสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่อยเดียวสองเสียใหเพื่อนพ้ อ, อยอ เ, อ เ, เห็นะกิดเอาของเพืองตัวสามคนหัวประจบมีลักษณะสี่ก็ไม่คนคบ หนึ่งจะทำดีก็ค่อยตามเพื่อนเพื่อนไปฟังเทศเถิดมันมันก็ไปสองจะทำชั่วก็ค่อยตามเพื่อนๆไปรักเถิดมันก็ไปสามต่อหน้าว่าจะเสริสีรับหลังตั้งลินทาสี่คนชักทวนในทางชิบหายเมรักษนะสีชัก่วนดื่มหน้เาเมา ชัก่วนเที่ยวกางคือชัก่วนให้เมาในการเล่นชัก่วนเล่นการพนันมิตรสี่จำพวกนี่ไม่ใช่มิตเป็นแต่ควรเทียมมิตรไม่ควรครบเอพระบรมศาลาแน่แน่ที่ไหนพระบรมศาลาไม่สอนเลยไม่ไม่สอนไม่มีเลยนั่นทีนี้ผู้ภาวานาเพื่อคพอนทุกในวัตฏสงสารสำหรับพระที่นี่พระบวชมา ไม่หวังเพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏสงสารมันก็ไม่ถูกสําหรับฝ่ายพระนนรนถ้าหวังเพื่อพ้อนทุกข์ในวัาสงสารปัญหามันก็ไม่มากถ้าบวชมาเพื่อปัจจัยสี่ชีวิตมิเทบาเสนาสนะและเพศสัตวปัญหามันก็ ม, มันมันก็มากมันก็มากขึ้นมาจากใจในไตโรคธาตุเออเดี๋ยๆนะถ้าอย่างนั้นก็ออ้วลน์มันไม่มีเอว่งอางเลเดี๋ยวนี้ มันสีมเอว่างอย่างไรความแก้แ็บตายมันกับว่าลงธรรมานเจกเทื่อโกโกรดหลวงมันกับว่าลงจากกิจจากใจเทยมันสิมีเอว่างอย่าไรเอาฮะเนี่ยเออเออเออเลื่อมไปว้าจะเท่าใครวะ กันเทศมันเทศเนีายคือที่ตาเนี่ตัวกันเทศตําั้มไร่ผู้ใจสูงผันบ่อพ่อกันเทศสูงแลยผู้ใจตัํากับมันบ่อพอนี่ยมันหน้าคือกันฟังเทศก็คือฟังใจถ้าไม่มีใจก็ฟังเทศมาได้เทศก็คือเทศเรื่องใจมากก็มากออกไปจากใจน้อยก็หานลงมาหาใจสีจัดสีลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจนี่ยศลงมาหนึ่ง พระสูตรก็สูตรของกายของวาจาของใจพระประมัตดก็มัดเข้าที่กายวายจาใจว่าเป็นสามว่าเป็นหนึ่งก็คือใจว่าเป็นสีก็คืออริยสัจสีว่าเป็นห้าก็คือขันห้าว่าเป็นหกก็คือตาหูวจมูกเลี้ยงกายใจในี่ยิ่งว่าเราผู้แท่นแล้วอยากถามเบิ้งเดีเนี่เป็นยังจงบ๊ะผ้ากันยืนยันว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา ประจาศาสตร์ของของศาสตร์ไทยสมบราธพิสไถกลังแก้่างมือครับเขียนใส่เราเขียนใส่าบอกมันจะพากันเบียิวเยอะแน่หอมูเจ้าออแม่รู้บอกมันกลังจะมีข้อยน่ใช่ดผิวเยอะเนี่พระพุทธศาสตร์นะเป็นศาสตร์นเขปาปจามประเทศไทยมันจะพิสไยเขาจะเอาไปกดขีบ่ห น, นั่นเขียนแกออก เ, อเข่าได้ มูเจ <that> <that> <ness> oh, ้าวันสิบิดพิวอยู่เลยนะอนาคตเนี่ยแม่นบ่ะออมาเดี๋ยวมูโหดถึงเฮ้ใคเ้าใเข้าสร้างจักความเลยเออเขาไปใกล้ๆเอามาเดี๋ยวมูมูตัวอาไว้กินที่แก่ี่ยังเสีออกเออก ให้ลุงูเอาออกมาเอาออกให้หมดอวัะมุกค่ะมูโตเสียทงกุล่ามาเป็นรคอวัยวะมุกหนั้นกุลาห้องหมันเจ็บตกระห้องหเขากระเทห้องหอตัวเอาน้าเขาบ่มือวันผมออกออกซีมองตางของเบาครับทุกทนขนแก้ครับเงี้ยเดือนมันบ่พ่อใ่เยมันก็ไปเรียนอวายะมุกนั่นใครสนใจกับบ่พ่อเหายเศาหน้าคือกันเฮ็ดใส่กับ่าพ่อครับกนไปเสียอวัยวะมุกหมด ลองวาลองวาภายในมอตัวเซลออกอนั่นเข้าเทสเงาเสียตายเลยนี่าำสอนพระเจ้าเนี่ยขันลา บ, บ่าแมน่นอันพระไตรปิฎกเอกไปเผาไฟถิ่มกจะตี้สั่งแม่นว่าสั่งคำสอรเจ้าแม่นแท้ครับฮึถูกปะถูกต้องครับ โลกยได้เพราะพุทธศาสนานั่นเอ้ยเอ้ย้ อ, ย อ, ยอยูป่ปาหน้านามันะมาเดยวสายพระพุทธศาสนาเหมือดมันจังสิได้พระโสดาบันเฮ้ยพระโมกขล่ามาจากศาสนาอื่นเดยสาลีบุตรมาจากศาสนาอื่นจังมาได้พระโสดาบันน่โลกทั้งหลายมาเี๋ยวสายพระพุทธศาสนาจก่อนังสิสำเร็จพลังหันี้อันมู้นี่ให้ตัวหงจัก น, นั่น โตเป็นผู้ตั้งกฎหมายแนนบ่นั่ น, น, นจะจะพผ้ามูตั้งไปทั่วไรมันแห่งเพียเนี่ยขอยายบ่เอใเอให้ช้งว่าพุทธประทับปสงค์นะยุดทุกมือจงเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีตามสติกำลังของตนเถิดอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่วเลย จงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีตามสติกำลังของตนเถิดอย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิทธิพลในทางทำดีตามสติกำลังของตนอย่าเป็นผู้มีอิทธิพลในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้เจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีอย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วตามสติกำลังของตนเถิดความดีคนนี้ทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำระยะ ความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำด้ยกมันตรงกันขามมูดพูดแม่งว่นกินงายเกยสอนดอกไม้แม่งพูแม่แมงเผื้อกับกินงายคือการเมืองงายของไผ่ของมัน่นยอมตายต่อพระพุทธธรรมประสงค์ยอมตายไม่เสียดายแก่ชีวาเพื่อรักษาอิสระขณะพุทธทำสง เพื่อให้สรงหนูที่หัวใจตายกับพระพุทธพระธาตุประสงค์มีกับมีกับพระพุทธพระธาตุประสง์อดทิศไว้ในใจได้ใจเน่ยม่อเป็นขาเป็นธาตุด้อยตัเมียบอมีระมาาสมมติว้าเพิ่นขี่ถ้ปาก็กืนจินพ่นพระพุทธพระธาตุประสงค์นึกขึ้นเพิ่นกับพระขี่หรอกแต่ว่าควบพ่อใจห้องเฮาัลเลเียเฮานอนเฮาก็อ้าบากเนี่ว่าเห็นกับว่าเขาเป็นว่า เอาแต่เขาสมมูลฐาพระพุทธพาท่ามาสองขีใส่เพื่นบ่าขีดอกเดี๋ยวขอมพ่อใจของเข้าทิวาอย่างไรสัตออตื่นจ <c oughs> ิตพ่อหมดเฮ็ดได้บารมุณโตตื่นจิตพ่อหมนเพื่อนกับว่าเหตนดอกเดี๋ยวขอมพอใจของเข้าผู้ใดถึงพระพุทธพาท่าพะสองแน่นแล้วผู้นั้นย่อมไม่ไปบันเทิงในสวรรค์นรพระเจ้าไม่มาเป็น ทรัที่รชาญจะเปรตอสุรกายเลยบานหน้าไปสู่พระนรพาห์มาเช่นนี้พระเจ้ารัตนอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่ม่เลยนักทีเมตตระนั้นยังชนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเป็นชนะของเราตามเท่าพระสู่พระนรพานเท่ากับสามารถทาร่าไว้เอง่นเทาอย่งร้ตายเองเ้ามาเ ล, ลึกได้แต่เข้าการกเข้ามาเลึกได้เ ล, ลิกได้มาเลิกได้ขอเป็นคาเป็นธาตุเพื่อพระธรรมสงฆ์จะรงงานยังเสียเลึกได้มาเลิกได้ เขาเอาว่าพุทธพรนรภสงเป็นที่เที่เรื่อุติธรรมกาจัดให้ด้ทุกเรศนะเมอบังสั่นตั้งซัดปงสั่นอธิษฐานไว้ยังั่นย่ำเขาลื่องกับถกกเขาบเรื่องกับว่าเขาภาวนาพุทโธยัง่มีกรวนขึ้นว่างไันั่นกระชเออ้นันเลือดได้เทาอธิษฐานไว้ยังสั่นเ่ยอธิษฐานอารมีสัมปโนก็ยัง่้เนี่อธิษฐานอุปบารมีสัมปนโนก็ยังม่าเนี่ยสัจจาปรามีสัมปันโนาอย่างไรเนี่ยถึงพร้อมเลยสัจ อันเท่าสิไปคอยจะนั่งนั่งคัดสมาธิจังสิได้บุญมืนอครั้นเป็นเอาอืออันเท้านึกไปทั้งบาปเนี่ยมันคัดสมาธิไปบอกว่แล้วท <c oughs> <c oughs> ั้งยินเดินทั้งนอนมันก็นยังไปเน้่เานอันอยู่นนเนี่ยเนี่อนอยู่กับ น, นึกไปทั้งบาปก็ไม่ยู่งไม่ไนู้บอกอือมัจจิท่านบอกเท่าทีมาเอาจะคัดสมาธิอยู่อือ ปวดรลยมันจะมันทัดจริงหรอ่ะเนาะอือไปในรถในเรือมันเท่ากันเลนึถึงอารมณ์ของผู้ถือถึงพระพุทธศาสนามันเป็นอารมณ์ไปทางบุญหลายเนี่ยไม่ได้ไปทางบาปหลายเดีแม้กต่สนใจไปในทาั่งหลายอารมณ์ของผู้ถือพระพุทธศาสนาผู้ถือว่ามีบาปม่บุญก็ไม่ตะสร้างบาปอยชน์เขาสร้างหัวใจโยงนี้สร้างบาปโยม่เขาไม่เป็นขึ้นว่าได้ พูดถือบ่มีคุณพ่อคุณแม่ก็พูดถือบ่มีบาปมีบุญกันเดียวกันนะเน่กร้างบาปอย ม, มีกับแวนขึ้นแหงอายุยืดแหงหอบอบาปอร <c oughs> อายุยืนมันมาจากสาส์กรเหมือนเน่มันชาตินี่เนอทาดีมาจากสาสกรเหมเข้ามาทำต่อไปกับวัตตัวฮเนี่คือเขาเห็นหน้าคือเาหาเงินนี่นาหาตอ่อไปกบวัตรเ้ข้ามาให้เขาโซ่ผ่า น, านของบุญเาบนพ่อเนีย ขันบนพ่อแล้วเขากับเขาสู้พันิุพ่างทัน่ะเออเอในหอดใส่สร้างน่อมตายถอยสิ่ต่อเพื่นพระ่ารมประสงค์หลดเก็บป่วยมากกับหายามากินเศร้าเศ้าบ่เศ้ากตายข้าพาพระราผู้โตกันเออเออยังจะว่าผีตัอนัดมาเฮ็ดสางตัอนันมาทํานั่นสิบวเมแนวไปทษดวเมแนวเรามีความเกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ร่วงพ้นความเกิดแก่ไปได้อนนอนพิจารณาความตายไหม พี่กน่าควบตาย ม, ามือแล้วจัเท้ามือละน่อยเท้าเขาอน่อยโอ้ยตัวยังประมาณดู อ, อ น, น, นุอ่นได้ความลำหายใจเขา อ, ออกแข้งดีว่ะสะัตวอันนี้งูห้ามันพี่กนาควบตายพญาต์ขีดแสดงเห็นงูตาย <c oughs> แม่เหรออือยางตายหลยายลพี่ก็น่าตายมันจริงเนีมันฝันเหรอเจอ้ ดีเยอะตัวหรอกระเพาะวันนัเออดีไม่มีม่สติมากดีเยอะเออดีอ ย, อออยู่เป็นคนมีสติมากเลยเป็นคนมาเห็นแก่หลับพระโมโคคัลล่าเพียงยังว่าเราจะไม่ยินดีในการเคลื่อนหลับเราจะไม่ยินดีในการเอ็นข้างเอ็นหลังนพระโมโคคัลล่าคนสนใจนะถ้าคนบารับเดี๋ยมันมีสองไร่แนวอยู่บารับเพราะ พราว่ากินเขาเขาว่าแทบเนี่ยมารับเนี่ยอันหนึง่งเนี่ย่ารับพอนึกถึงอารมณ์อันว่เป็นที่พ่อใจเนี่ยอันนึงบารับพ่อว่าสนใจแค่เท่าไหร่อันหนึ่น ง, ง, ง, งมันได้ไหมล่นะหนึ่งอย่างยูง่โอ้กยามันเนาะมันมันมีขอวัดทองมันอยกะยามันเนาะเออควยหล อ, อดมันมีขอวัดท้ม คุณนกขัขจิตรวบเราไปเห็ุยังไงเองกระสันก็บอกเดี๋ยวยังน้อยแล้วน้อยแล้วเลยบอกทำไปกวนมันกวนมามันก็ให้มันมันเอี่มแล้วมันตื่นขึ้นมากหรอกเออสร้างมันเออเป็นคนมีเป็นคนมีขอวัดเป็นคนมีขอวัดในธรรมะอย่ามันมันจิตลงไปรวแล้ามันพักด้วยซื้อสร้างมันมันกาลังมันถอนออกมากถอนออกมากแหละเอาจากพิานาไมครับกพิ่หน้าไปอีก เล็กน้อยน้อยรับพระพันไปกวนมันหงมาเกิดว่ามันไห้มันเอวเหมือนกํารังมันก็ถอนออกมามันดอกยามันสมาธสันไก็ยึดแตอำนาจอนิจังกันบุญสั้นนี่ก็ยต่อานาจอนิจังข้นมถอนออกมาเทากับพี่ก้าวรองชูอนิจังนั่นโอ้บุญสันนี่ก็ยังเป็นอนิจังเด้เทากับสิพก้าวมาเข้าใจตัวขําสันชูพระพุทธเจ้าบอกสอนให้ทิ้งได้ เราลู้ก no oh ัจจวันรตามเป็นจริงของปัจจวันรเราลู um, uh ้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเราลู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตแต้เราแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเรารู้ใจตามเป็นจริงของใจเรารู้ธรรมตามเป็นจริงของธรรมแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนใดๆทั้งสิ้นเห็นอะไจากคณะจเจนึงก็เห็นโรครอบนึงลนี่ผู้หวังสิพงผจากกิเลสในปัจจุบันนศาสตร์เห็นทุกขณะจิจนึงก็เห็นโรครอบนึงล่ะเห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกสังขารทั้งหลายย่นลงมากเป็นทุกทุกทั้งหลายก็ ก็ค all no ือสังขารสังขารอะคือทุกโรคก็คือทุกทุกก็คือโรคเหร็นทุก็เห็นโรคเห็นโรคก็เห็นทุกลู่แก้งทุกก็ลู่แจ้งโรคลู่แง้งโรคก็ลู่แจ่งทุกเอแค่ในเบื่อหน่ายในโรคก็คือเบื่อหน่ายในทุกการคิดมันก็โอนไปในีพันภุ์ผ่านตัวขามทะเลหลวงพวกนี้พวนี้น่ยมันหลงยึดถือว่าของมาเทียงเป็นเทียงนังหุ่มอยู่หลารอบเนี่ยมันยึดถือเนี่ยยึดถือของมาเทียงเป็นของเทียงของเป็นทุกันผลยึดถือเป็นของสุกของ มันสวยบังามมันก็ถือเป็นของสวยของงามมันมันตัวตนแท้มันก็ถือเป็นของตัวตนจนแก้บ่ไรว่ามัออกมันก็ไม่จะถอดดีหน้ําไฟร่มในพระสุมกันอ้วยนี่แต่ถ้ารู้ตามันจริงแล้วมันกับชิสาข์กมหลงหันตัวหันเนี่ยมันก็ว่าหลงเอกออว่าเนี่ยทำสั้นสูงเลยอือพระพุทธเจ้าสอนให้ห้อมเบื่อนายความหลงจากของได้เดี๋ยวเนี้เบื่อนายความหลงเพรห้มาหลงเกิดหลงแก้หลงแก้มหลงตายอีกได้เนี่ยทำสั้นสูงเหร เอออย่างนดีนะพันิพาพบ้านว่าเกิดแก้แ็บตายผลบ้านเดียว บ, นบนว้นประพามมากเกิดแก้แ็บตายผลอยนางนี้ดีแน่ท่านผุนทำสันสูงเนี่ยทำสันต่ำกันเลียมไสมโนสมบสวรรค์สมบัติสมบัตไปสกปทำสันสูงกัเรียมสพันิพาพสมัติเดียวิ่งนิ่งโลดไปเดียวให้ขาท่านแม้พักเสร็จห น, นึ่งกังวเพื่อพันธุภาพออวายพุทโธคั้หนึ่งกังวเพื่อพนิพาพบ้า น, น, น, น ป, านนปิวัยรอกินขนมเขาอยว่าเขา ว่าโตไม่ขอวัด <c oughs>